บทนำซีดีชุดนี้จัดทมขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนีเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราบวรวิหารรองเจ้าคณะภาค16และเป็นประธานในการจัดปฏิบัติธรรมอยู่เสมอในหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ท่านได้มีเมตตาต่อลูกโยคยีและเห็นชอบให้มีการจัดทำซีดีชุดนี้เพื่อช่วยเป็นสื่อน้อมนำให้ลูกไปกราบตอบแทนพระคุณและขอขมาพ่อแม่ได้ง่ายขึ้นซึ่งจะเป็นกุศลที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทิตาลูกขอกราบแทบเท้าคุณแม่คุณพ่อ บัดนี้ลูกได้ปฏิบัติธรรมแล้วบุญใดที่ลูกได้รับจากการปฏิบัติธรรมลูกขอน้อมนำบุญนี้แด่คุณแม่คุณพ่อผู้เป็นพระอรหันต์ของลูกขอให้คุณแม่คุณพ่อมีความเบิกบานยินดีและอนุโมทนามีส่วนร่วมในกุศลครั้งนี้ กรรมใดที่ลูกได้เคยประมาทพาดพลังล่วงเกินคุณแม่คุณพ่อด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีจะโดยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาลูกขอกราบขอขมาขอให้คุณแม่คุณพ่อซึ่งเป็นพระอาราหันต์ของลูกโปรดอโหสิกรรมในการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดบาปของลูกต่อจากนี้ ลูกจะประพฤติตนเป็นคนดีให้คุณแม่คุณพ่อได้ชื่นใจและลูกขอนำซีดีนี้มาบูชาพระคุณคุณแม่คุณพ่อที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูทนุถนอมให้วิชาความรู้จนลูกเติบใหญ่ขอให้คุณแม่คุณพ่อค่อยๆฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบ คุณกุศลใดที่บังเกิดจากการได้ฟังธรรมนี้ขอให้คุณแม่คุณพ่อมีอายุยืนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งเบิกบานปราศจากทุกโศกโรคภัยอยู่เป็นร่มโพ ร, ร่มใยของลูกเป็นเนื้อนาบุญของลูกลูกขอชวนให้พระอรหันต์ของลูกได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม เพื่อที่ลูกจะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณคุณแม่คุณพ่อและจักเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาให้ลูกมีความเจริญสืบไปลูกรักคุณแม่ลูกรักคุณพ่อ ซีดีชุดบรรการแดกบุพการีประกอบด้วยเนื้อหาเจส่วนดังนี้ส่วนที่1บทนํากล่าวถึงที่มาของการจัดทําซีดีชุดนี้และคํากล่าวขอขมาคุณแม่คุณพ่อพร้อมทั้งเนื้อหารายละเอียดในซีดีชุดนี้ส่วนที่สองพระคุณแม่ แทร็กที่สองถึงเจ็ดเสียงอ่านโดยทันตแพทย์หญิงธนาพรวงแหลมทองหรือคุณหมออุเป็นบทบรรยายที่ท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคําสีโยทินอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพ บ, บกที่เคยบรรยายสอนที่ยุวพุทธิกะสมาคมในพระบรมราชูปถมัมภ์ มีเนื้อหาที่ประทับใจตึงใจชนิดที่กระชากใจของคุณสมคิดระวางกูลนักเขียนชื่อดังให้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องขออนุญาตนำมารวบรวมเรียบเรียงเป็นหนังสือหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกที่เปลี่ยนหัวใจลูกหลายคนที่ได้อ่านให้มาเป็นคนดีของแม่ แรักม่ส่วนที่สามเหตุใดคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันแทร็กที่แปดบางคนอายุยืนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยหล่อหรือสวยเพื่อนฝูงมากฉลาดชาติกูลสูงแต่บางคนตรงข้ามเพราะอะไร เป็นคำถามตั้งแต่ครั้งพุทธการที่สุภามานพถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาชี้แจงอย่างละเอียดว่าเป็นเพราะเหตุใดส่วนที่4ชีวิตนี้น้อยนักแทร็กที่9้า เป็นบทพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งถ่ายทอดให้เห็นความสําคัญของชีวิตนี้ว่าชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่สําคัญนักสําคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตเพราะเราสามารถหนีกรรมไม่ดี ที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ก็ทำได้ในชีวิตนี้เท่านั้นส่วนที่5วิธีสร้างบุญบารมีแทร็กที่10เป็นบทพระนิพนธ์โดยสมเด็จพญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทรงเมตตาสอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงวิธีที่จะสร้างบุญบารมีว่ามีแนวทางหรือมีองค์ประกอบใดในการสร้างบุญกุศลสเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการรวบรวมความรู้ที่เราควรทราบในการใช้ชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาทคือ No w ว y No w เว n และ No How ในเมื่อเราทราบว่าทำไมเราจึงเกิดมาเป็นเช่นนี้ทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันและเมื่อเกิดมามีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งในโลกนี้ก็ด้วยว่าช่วงชีวิตนี้น้อยนักแต่มีความสำคัญยิ่งนักแล้วก็ควรที่เราจะศึกษา ว่าเราจะกําหนดชะตาชีวิตของเราอย่างไรเราจะสร้างบุญบารมีอย่างไรให้ถึงความพ้นทุกข์ทั้งสามเรื่องนี้เป็นเสียงอ่านโดยคู่กาลยานมิตรคือคุณอัญชลิดาตันตรเทียนและคุณนงนุษกิติกุลวรากอ ส่วนที่6เหตุการณ์ที่นายแพทย์อาจินบุญยเกตพบวิญญาณหนูพิมพ์ภวดีณโรงพยาบาลสิริราชแทร็กที่11จากหนังสือคู่มือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนีบุญศิลป์อุตมชาโตเจ้าอาวาสวัดดุสิตารามเสียงอ่านโดยคุณนก และครอบครัวกิติกุลวรากอนคือคุณนุษย์น้องเก๋และน้องแคทสำหรับเหตุการณ์นายแพทย์อาจินบุญยเกตพบวิญญาณหนูพิมพ์ภวดีจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นส่งผลข้ามภพข้ามชาตินายแพทย์อาจินเคยเป็นราชมันในสมัยรัชกาลที่สแต่เพิ่งได้รับผลแห่งกรรมในชาติปัจจุบัน และความผูกพันของพ่อลูกก็ผูกพันกันข้ามภพข้ามชาติเช่นกันทำให้หนูพิมพ์ภวดีมาช่วยผู้ที่เคยเป็นพ่อในภพชาติก่อนซึ่งก็คือนายแพทย์อาจินในชาติปัจจุบัน ส่วนที่7การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แทร็กที่14เป็นการผ่อนคลายทั้งกายและใจในท่านอนสมาธิขอบคุณทุกส่วนของร่างกายที่รับใช้เราจนถึงขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะได้พักผ่อนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์หากมีความเครียดป่วยหรือนอนไม่หลับให้ลองพักผ่อน กับบทเพลงจากหมู่บ้านพลําไปพร้อมๆกับการพิจารณากายใจจนหลับไปลองดูสิคะว่าวันนี้ที่ท่านหลับไปท่านพิจารณาถึงร่างกายส่วนใดผู้จัดธรรมได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าภาวนาตามแนวทางของหมู่บ้านพลําประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีพระมหาเถระชาวเวียดนาม คือหลวงปูต่ติดนัดหันเป็นผู้นำการภาวนาและ total relaxation การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากจากการภาวนาบรรณาการแดบุพการีนี้ มีแรงบันดาลใจจากความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่มีพ่อมีแม่และกําลังยกระดับพัฒนาจิตใจของตนเองด้วยการเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจากคนเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงและปรารถนาจะน้อมนํากุศลน้อมนําธรรมะมาเป็นบันด า, ารแด่บุปการีบุญใด ที่เกิดจากการจัดธรรมและเผยแผ่ซีดีชุดนี้ขอน้อมนำบุญนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาขอให้เป็นพลวะปัจจัยนิสัยตามส่งให้ครอบครัวของข้าพเจ้าของท่านผู้ร่วมเผยแผ่และท่านผู้ฟังทุกท่านถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติสวรรสมบัติและถึงซึ่งพระนิพพาน ในการอันควรโดยพลันเทิน